พอรู้ว่าปัญญาลํำหน้าเลยค่อยดีขึ้นหน่อยสมาธิค่อยเกิดขึ้นมารู้สึกไม่ใจมีสมาธิขึ้นมาไม่งั้นมีแต่ปัญญาล้ำร่ำไปนะฟุ้งซ่านใจไม่ตั้งมัน่นพอรู้ทันตรงนี้ใจก็ตั้งมั่นขึ้นมารู้สึกไม่ค่อยเข้าที่หน่อยค่อยเข้าที่ง่ายๆเอาเริ่มไม่เอาละเริ่มเพียนไปอีกแล้วอืม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 เดี๋ยก็มาติดใหม่ถ้าทราบซึ้งถึงอกถึงใจเนี่นะมันจําข้ามภพข้ามชาติเลยต่อไปเวลาไปบอกคนอื่นนะมันแม่นมันไม่รูปลุกคลําลำแล้วเอ้ยนี่ก็เคยติดอันนี้ก็เคยติดนะอย่างหลวงพ่อไม่ใช่ภาวนาเก่งนะหลวงพ่อภาวนาไม่เอาไหนเล ย, เยนู่นก็ติดอันนี้ก็ติดนะติดมาก่อนลนะผิดนู่นผิดนี่ไปด้วย okay.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 เราจะเอาปัญญาอะไรอีกนอกจากไตรลักในหลวงนั่งเคยไปหาโลวงปเทศถามโลกุปเทศท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ท่านไม่ถามอะไรธรรมดาธรรมดาถามก็ต้องถามสุดยอดไปเลยถามโลวุปเทศอะไรเป็นที่สุดของศีลอะไรเป็นที่สุดของสมาธิอะไรเป็นที่สุดของปัญญาโลวุปเทศบอกว่าเจตนาวิรัตเจตนางดเบ้นการทาชั่วเนี่ยเป็นที่สุดของศีล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 ดีแล้วดีก็ดีนะกีรัตเริ่มเก่งอีกแล้วกีรัตอย่าอยากดีรัดดีหามจั่วจั่วก็หนักนะใครยกจั่วสาลานี้ได้เนับถือเลยใช่ได้นล้วอ่ะคุณโงนั่งดูกระแสความคิดนะครับเห็นมันมาแล้วมันไปแล้วบางทีก็มาอีกไปไปมาๆอย่างนี้ครับก็บางทีเราก็เติม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 มมีจุดมีดวงเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาอีกเวลานิพพานนะจิตก็ดับไปเหมือนไฟดับแต่ว่าไฟดับนี่ไฟศู์ไปไหมไฟที่ดับไฟไม่ได้ศูน์นะแต่ไฟนั้นกระจัดกระจายเต็มโลกไปค่อยเรียนนะภาวนาใจประณีตขึ้นประนีตขึ้นนะมีแต่ความสุขพอใจเราไม่มีเปลือกหุ้มแล้วมีความสุขที่สุดเลย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 เหรา ก, ก็ปรุ ง, องเองหลยเราปรุงไ้เราไปประคองไปกําหนดไปควบคุมไปกลัวไม่ดีกลัวไม่ดี ไ, ดไปทไําไปโยนทิ้งไปไม่ดีก็ไม่ดีสิไม่ดีก็ช่างมันน ะ, น ะ, ะอย่า ก, กลัวขอบพระพอดีหนูหนูเคยฟังซีดีท่านอาจารย์นะคะแล้วก็วันนี้หนูมาเป็นวันแรกอะคะ่ะลราไงล่ะ